มาเรียนบ่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมดูออกไหมหดูไปนะตัวตนบางคนก็หายไปดี <c oughs> บางคนก็เห็นตัวตนเยอะเซลล์จัดถ้าเราภาวนาเป็นนะเห็นกิเลสบ่อยๆนะเราจะรู้เลยกิเลส ท, ที่น่าอายนะเป็นเซลล์จัดแต่พวกเซลล์จัดไม่อายนะ แต่พอเราเห็นว่าตัวนี้อูมันทำอะไรก็มีเซลล์ซ่อนอยู่ข้างหลังนะรู้สึกเป็นกิเลสหน้าอายชวนให้อภายไขยหน้าเรื่อภาวนานะค่อยๆลอกเปลือกตัวเองออกมาทีลรชั้นทีลรชั้นดูตัวจริงของเราความไม่ดีอยู่ตรงไหนนะเข้าไปเรียนรู้มันมันซ่อนเรารักษาหน้าบางที แล้วก็ปิดบังกิเลสเอาไว้ซ่อนเอาไว้กล้าๆหน่อยมีกิเลสนะไม่ต้องไปบอกคนอื่นออกหมายถึงว่ากล้าๆหน่อยที่จะรู้ความจริงเห็นความไม่ดีของเราเองเห็นจุดออนของเราเองอย่าไป น, นึกแต่ว่าคนอื่นมองเราไม่ดีคนอื่นว่าเราคนอื่นไม่ให้โอกาสเราเราดุกตัวของเรา งานหลักของเราจริงๆก็คืองานล้างกิเลสข้างในนี่แหละกิเลสนำความทุกข์มาให้ทำให้ใจเราบีบคั้นเวลาเราได้ยินเสียงดังๆเลยใครเห็นจิตไหวตัวบ้างไห ม, มเวลาลมพัดรู้สึกไหมว่าจิตไหวเออตัวนี้ละเอียดขึ้นไปอีกนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะเดินๆอยู่เนี่ย แสงแดดมันกระทบเปลือกตาเนยะจิตยังไหวเลยไม่ใช่ไหวปล่าๆนะโมโหด้วยนะแต่ว่าโมโหใครไม่รู้ไม่รู้จะเป็นโมโหพราทิตย์ก็คงไม่ใช่นะกิเลสโอ้มันยุบยั บ, ย, บยุบไปหมดเลยตาเห็นรูปจิตกวไหวหูได้ยินเสียงจิตกวไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกจิตก็ไหว จิตไหวที่ไรก็เป็นทุกทุกทีใครเห็นจิตไหวได้บ่อยๆไหมวันๆหนึ่งเห็นบ่อยๆเลยเยอะไหมดีทุกไหมทุกถ้าเห็นแล้วจะทุกตาเห็นรูปเมื่อมีผัสสะนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิน้นได้รสกายกระทบสัมผัส น, นี่คือผัสสะทั้งสิ้นเลยถ้าคนปัญญา ทั่วๆไปก็ไม่รู้อะไรหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งแนละตาเห็นรูปมีความสุขหูได้ยินเสียงมีความทุกข์อะไรเนี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับไปเรื่อยแต่พอเราภาวนาได้เข้มข้นขึ้นนะตาเห็นรูปก็ทุกข์หูได้ยินเสียงก็ทุกข์นะืทุกข์พระจิตมันไหวะจิตมันไหวเป็นภาระขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืน สุดท้ายรู้เลยว่ามีผัดสะขึ้นมาก็มีทุกข์ทุกทีเลยแต่เดิมนึกว่าความสุขเป็นของดีพอเห็นว่ามีความสุขนะจิตก็ไหวโอ้จิตไม่มีความสุขสุดท้ายก็เห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยกระทั่งความสุขเกิดขึ้นนะจิตก็ไหวขึ้นมาเป็นภาระทางใจ เหนื่อยเห็นทุกรวล้วนๆต่อไปสามโลกธาตุนี้จะมีอะไรสามโลกธาตุนี้อย่างมากก็เป็นแค่ผัสสะอยู่ในสวรรค์ก็มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจก็ทบอารมณ์อีกกะทบอารมณ์ในสัวสวรรค์จิตก็ไหวอีกแล้ว ไปอยู่ในพรหมโลกนะไปเกิดปีติจิตก็ไหวมีความสุขจิตก็ไหวมีิวเบขาจิตยังไหวเลยสามโลกนี้ไม่มีที่ที่ไม่มีทุกเนี่ยเฝ้ารู้นะเฝ้ารู้ไปด้วยใจจะคลายออกคลายออกเวลาจะข้ามเพราะรมชาติจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์สุดๆเลยทุกขจนใจไม่เอาอะไร ยิ่งเห็นทุกข์ใจก็ยิ่งคลายออกคลายออกมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่หลงในความสุขเพราะรู้ว่าภาระยังไม่สิน้นใจยังไหวอยู่อีกนี่บางคนไปเห็นว่าพอจิตมันไหวๆขึ้นมานะเออนำความทุกข์มาให้ก็ไปฝึกไมใ่ให้จิตไหวฝึกเพ่งเพราะนั้นไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าฝึกเพ่งให้จิตนิ่งๆกระทบแล้วไม่กระเทือนกระทบแล้วไม่กระเทือน ไม่ใช่ทางกรนะะทบแล้วมันกระเทือนแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏตะไปเรื่อยนะเห็นทุกข์เห็นโทษของาธาตุของขันไปเรื่อยจิตเกิดปัญญาอย่างท่องแท้นะัไม่ยึดในาธาตุในขันนี้อีกคราวนี้กระทบแล้วไม่กระเทือนไม่กระเทือนโดยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาพวกที่รักษาจิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วไม่ให้กระเทือนเลยให้นิ่งคงที่อยู่เรื่อย พวกนี้ยังต้องรักษาอยู่วันใดหมดแรงรักษานะ่จะร้ายมากกว่าควรปกติโกรธก็โกรธมากนะอาฆาตก็อาฆาตมากอะไรเงี้ยรุนแรงฟุ้งซ่านก็ฟุงฟ้งซ่านมากมันไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนตาหูจมูกลิ้นใายใจกระทบอารมณ์ไปจิตกระเทือนให้รู้ว่ามันกระเทือนมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของไม่งามนะกระทบกระเทือนขึ้นมาเรื่อยๆมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมไม่ใช่หนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ก็ต้องคอยรู้มันกระทบอารมณ์ทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกขทีนี่เรียกว่ารู้ทุกข์ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ให้จิตทุกข์เรียกอย่างนี้เรียกว่าหนีทุกข์ต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์หนีหนีทุกข์หนีไม่รอดหรอกมีจิตนะ มีจิตดวงเดียวเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่างเข้าอารูปฌานเนะหลือจิตดวงเดียวออกจากอารูปฌานนะจิตดวงเดียวนั่นแหละไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาใหม่หมดเลยนะมีจิตดวงเดียวก็เกิดนามรูปขึ้นมาได้ทั้งหมดอีกแล้ะก็ mm hmm. กลับมาอีกไม่มีประโยชน์เลยเท่าไหร่อ้อมค้อมเสียเวลาเปล่าๆหันหน้ามาเผชิญกับตัวทุกข์นะเห็นเลยจิตไหวที่ไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเฝ้ารู้ไปอย่างสบายๆตรงนี้เลยยาก ให้รู้สบายๆนะรู้เราไปเกลียดมันส่วนมัาใครพอเคยเห็นบ้างจิตไหวเนี่ยใครเคยเห็นบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูซิใครเห็นบ้างโอ้มีโอกาสมารู้พระอราหันต์แ้เนอกเห็นนั่นเห็นทุกข์ละเห็นไม่อไม่มีความสุขก็ไหวนะไหวขึ้นมาเป็นภาระรากับจิตทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอก เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่ยึดไม่ถือเพราะมีปัญญาเห็นจริงมันเป็นตัวทุกข์อย่าหนีนะอย่หนีทุกข์พวกหนีทุกข์ก็เขาเรียกว่าการปรุงแต่งอาเนรชาพิสังขารหนีเลยไม่อยากกระทบกระเทือนอะไรก็หลบเป็นปรุงแต่งภาวะที่ไม่กระทบกระเทือนขึ้นมาเรียกว่าอาเนรชาพิสังขาร ความปรุงแต่งมีสามัญ น, นะมีปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีอปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอาเนญชาพิสังขารความปรุงแต่งที่ไม่ให้มันกระทบกระเทือนอะไรก็เข้าว่ารูปประชานใจก็รักษาใจไว้ดวงเดียวสบายก็มาจากอวิชชาด้วยกันทั้งสิ้นมาจากความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งก็ทําลายความปรุงแต่งได้ทั้ง3ามแบบ นี่ธรรมชาติของจิตต้องปรุงแต่งระหว่างปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ให้กระทบกระเทือนให้ปรุงดีเอาไว้ปรุงศีลปรุงสมาธิปรุงปัญญาไปไม่ใช่ไม่ปรุงเลยบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะบอกว่าปฏิบัติเนี่ยอย่าปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญเลยเป็นของแปลกปลอมของปรุงแต่งไม่เอา พูดง่ายไม่เอาแล้วเกี่ยกระทุกข์เนะืไม่พ้นหรอกแล้วต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทําอะไรเลยมันมิจฉาทิฏฐินะบอกไม่ต้องทําอะไรเลยจิตนั้นว่างๆสบายรักษาไว้เฉยๆไม่ทําที่พระพุทธเจ้าสอนสักอย่างแต่ว่าอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็มีนะ สิ่งที่เราต้องทำนะหนึ่งทำอะไรทำการไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนะทำจิตให้ผ่องแพ้วฝึกจิตให้ผ่องแพ้วด้วยปัญญาของเราปัญญาอันยิ่งนี่แหละความจริงเรามีศีลนะจิตก็เริ่มผ่องแพ้วแล้วผ่องแพ้วระดับศีลมีสมาธิมันก็ผ่องแพ้วระดับสมาธิมีปัญญาเนี่ยองแพ้วจากกิเลสเลยหมดจดจากกิเลส งั้สิ่งที่เราต้องทำนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเป็นวิชาทิฏฐิเนี่ย อ, อกตริยทิฏฐิไม่ต้องการทาอะไรเป็นวิชาทิฏฐิาศาสนาพุทธเป็นกรร ม, มาวาทีต้องทำทำกรรมนะทากรรมอะไรทำกรรมไม่ทำกรรมชั่วนะทำกรรมแลาวทำกรรมดีทำกรรมให้จิตผ่องแผ้วนะงั้นไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะ ให้กระทบอารมณ์ไปจิตกระเทือนขึ้นมารู้ทันที่ได้มีกระเทือนหยาบหยาบเห็นเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นฟุ้งซ่านเป็นหดหูเป็นดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์ปรุงขึ้นมาอย่างนั้นนะพอเราหัดดูมากๆเหลือแต่ความไหวสิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันยังไม่ทันแปลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วอะไรทั้งสิ้นเลย เห็นความไหวแล้วก็ดับเห็นความไหวแล้วก็ดับเงินเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะจิตไหวก็จิตก็ทุกข์นะ <c oughs> ไม่ห้ามห้ามไม่ได้ให้เรียนรู้ทุกข์รู้ทุกข์แก่แจงก็พ้นทุกข์มานั้นแหละยากไปไหมวันนี้รู้สึกสอนเรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องไหว <c oughs> เล็กสุดๆจะเล็กแล้วนะจิตเรื่องความไหวของจิตนี่คๆดแค่นี้เองนะไม่ใช่ไหวอย่างนี้นะอย่างงี้คิดก๊อฟไหวกุ๊กคิดกุ๊กคิดนะไม่ใช่ไหวอย่างคิดก๊อฟเห็นไหมแค่หลวงพ่อพูดให้ตลกก็ไหวละดูออกไหมคนไม่มีปัญญาก็ว่ามีความสุขคนมีปัญญาก็เห็นทุกข์เห็นโทษคราวนี้ก็อยากเห็นทุกข์เห็นโทษนั่งจ้อง จ้องก็จิตไหวอีกแหลนะนะไม่ใช่ไม่ไหวนะเครียดหนักเกาอีกอใครจะส่งกันบ้านเชิญให้คนอยู่วัดก่อนรับน้ำมศาการครับคื อ, อรู้สึกว่าจิตมันจะเริ่มเข้าข้าวตาแล้วครับเออใช่ะนะไม่มีตัวนี้นะไม่มีหรอกเดินปัญญาไม่ได้ขยับไปนี้ก็ไหลออกนอก ต่าไปนี้จิตเข้าฐานขยับได้นะจะเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเลยปัญญาถึงจะเกิดนะจิตไม่ถึงฐานปัญญาไม่มีหรอกนะอ่ะก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะบังคับไหมยังบังคับอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่วินต้องเห็นด้วยตนเองสิวินยุ่ชนต้องรู้ด้วยตัวเองก็มี <laughs> มตึงไหมแน่นไหมแข็งไหม ตอนนี้ใช่ไหมค่ะให้รู้นะถ้าไม่เพ่งไว้อย่างนี้จิตจะออกนอกไหมหรือจิตจะอยู่ในฐานได้ออกค่ะออกนะให้รู้ทันนะจิตจะมีแรงดีดออกอยู่เพราะงั้นถ้าพอไม่เพ่งปุ๊บมันจะออกนอกงั้นเพ่งไว้ก่อนแล้วก็รู้ทันแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายออกอ เ, อเชิญสองสองวันหลังที่อยู่ก็จะเห็นอาการของจิตมากแล้วก็เข้าไปแทรกแซงยังยังไม่สมดุลแล้วก็ ยังบังคับอยู่โอ้ดีที่รู้นะรู้ <c oughs> ทั่วถึงดี <c oughs> รู้สภาวะแล้วก็รู้ปฏิกริยาของจิตต่อสภาวะนั้นคือความยินดียินร้ายนี่รู้ได้ถึงความยินดียินร้ายว่ายัางไม่เป็นกลางแล้วก็เห็นการปรุงต่อไปแทรกแซงนะ <c oughs> ดีละวละนะก็เข <c oughs> ้าใจเรื่องจิตตั้งมันขึ้นครับก็ไม่เข้าใจตัวนี้นะชาตินี้ไม่ได้มากฝนเรอก ตัวนี้ตัวสำคัญมากในเะรื่องจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นนไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก็คือขาดสมาธิขาดสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้สมาธิเพราะความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบไปทาต่อไปนมาส ก, การเจ้าคหลวงพ่อขอคำแนะนำค่ะเอางั้นเลยเนาะไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้ว ไม่ทําเท่าเนี้ยเป็นพระอรหันต์ส่งกันบ้านมาก็คือสภาวะเมื่อเช้าอะค่ะคือช่วงนี้ยอยู่ดีๆมันก็เหมือนมีทุกข์ขึ้นมาเออดูนะทุกข์แต่ว่าทุกข์ตัวนี้ย้อมใจเราได้นะยอมย้อมติดัมันท่วมใจนะใจมันจะร้องไห้อยู่ข้างในแล้ะให้เรารู้เอาเพิ่งเป็นเมื่อเช้าอะค่ะเออให้ดูไปไม่ใช่ของเรา ดูไปเรื่อยไม่ใช่ของเราหรอกไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนหนูท่องไปเลยไม่ใช่ของเราหรอกเราจะเป็นแค่คนดูมันนะหลวงพ่อขอถามอันนึงมันยังค้างคาใจบางคืนนอนแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายขยับไม่ได้ไงะคะเออก็ร่างกายมันหลับคือมันขยับไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีความรับรู้แล้วมันรู้สึกเหมือนร่างกายขยับได้ อ, อแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะมันพบว่ามันอยู่กับที่อยู่กับที่สินะสร่างกายกายเนื้อมขยับไม่ได้ จิตมันตื่นนะแต่ร่างกายมันหลับเนื่อหนักๆ ก, กระดูกระดิกไม่ได้หรอกหนูคิดว่ามันหนูตอนแรหนูคิดว่ามันจะตายหรือเปล่าไม่ตายบางคนก็โทษผีว่าผีอัมโทษอัมผีแหละคือหนูหนูเคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนหนูเป็นเด็กประถมอะค่ะ <c oughs> เออคือที่นอนอันนั้ น, นแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าภาวนามาแต่ชาติก่อนน่ะแล้วจิตมันตื่นกายมันหลับ แล้วถ้าเกิดอีกจะทำยังไงเพราะว่าบางทีหนูก็จะกลัวกลัวดูกลัวคือดูแล้วมันก็กลัวเออตายก็ตายตั้งหลักงี้นะแล้วไม่ตายหรอกเชื่อเสถิ่พวกที่หลายตายไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าหนูเคยเห็นมันแผ่วไปเรื่อยเรื่อ ย, อยอหนูคิดว่าแบบแน่ละตายละอะไรเงี้ยเออแล้วรอด ม, มาทุก<ม>ทีไม่ตาย <laughs> ตายหรอกนี่ไม่เห็นใครภาวนาตายเลยมีแต่พวกไม่ได้ภาวนาตาย หนูทำยังไงต่อดีหลวงพ่อให้ดูใจนะใจยังถูกอารมณ์ครอบงําง่ายให้รู้ทันตัวเนี้ยดีขึ้นเยอะแล้วขันขินก็แยกแล้วเดี๋ยวไปปล่อยใจให้ถูกครอบอยู่คือหนูปฏิบัติไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดอนะหนูปฏิบัติไม่พอใช่ไหมคะพอแต่มันยังไม่ไม่นานพอที่ปฏิบัติเนี่ยใช้ได้ละแต่ต้องใช้เวลาแล้วมันเหมือนผลไม้นะครูบาอาจารย์สอนเหมือนผลไม้ต้องเวลารอเวลาสุกนะ่ะ อยู่ๆจะรีบให้สู่เร็วๆไม่ได้นะใจร้อนไปปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติถูกแล้วต้องปฏิบัติให้นานพอแล้วตอเนี้ขอบคุณค่ะกลับนมัส ก, การค่ะขอกันบ้านทําต่อค่ะเอาไว้นเหรอส่งกันบ้านมาก่อนส่งกันบ้านนะคะเมื่อเช้าเห็นว่าเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คือปกติก็คือจะไม่เห็นแต่คือเห็นว่า มันเป็นต้นตอนแรกก็กลัวก่อนแล้วก็เห็นกลัวต้นไม้ไม่ใช right? oh ่ค่ะคือกลัวว่าเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขับมาก็เห็นว่าเอามันเป็นต้นไม้ก็แค่แวบเดียวเองค่ะว่าเอาจิตมันสัญญามันปรุงว่าเออเป็นต้นไม้แล้วก็ก็ความกลัวก็หายไปใช่ก็อย่างนั้นแหละนะกระบวนการทํางานตัวตัวกลัวนี่นะคือตัวสังขารสัญญาเนี่ยมันทําให้สังขารทํางานนะสัญญาและเวทนาเป็นตัวทําให้สังขารปรุง งั้สัญญาไปหมายว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมใจก็รู้สึกไปอย่างหมายว่าเป็นต้นไม้ใจก็รู้สึกไปอย่า ง, าาางคือปรุงไปอีกอย่างสังขารเป็นอีกอย่างนั่นแหละเป็นความปรุงของจิตอย่างนั้นแหละแล้วเขาปรุงเร็วถูกต้องแล้วเราไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างใช่ค่ะเห็นแวบๆบเห็นอถ้าจงใจจะเห็นไม่ได้เรื่องนะของปลอมก็อาทิตนี้ทั้งอาทิตย์ก็เรื่องศิลข้อสี่ก็ดีขึ้นคะที่หลวงพ่อบอกว่า ให้ไปดูตัวโทสะที่มันแรงไปอ่ะค่ะเราเห็นไหมเห็นดีไปดูต่อนะค่ะโทสะยังไม่หายหรอกใช่ๆยังไม่ใช่ภาัาคา่ะยังมีอีกดูไปเรื่อยไลยของหนูพ่อนาดีขึ้นมากนะใช้ได้เลยล่ะอะต่อไปนัศมสการ์ค่ะหลวงพ่อคือสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจิตมันเหนื่อย แล้วมันก็ไม่มีแล้วมันก็คิดคิดคิดคิดคิดเยอะมากแล้วมันก็เลยพยายามควานหาอะไรที่มันดีอ่ะค่ะจนลืมอยู่กับปัจจุบันอนะคะเราก็เลยพึ่งกลับมาดูว่าอยู่กับปัจจุบันเราก็มีความอยากอืก็แค่นั้นเองนี่เรียกว่าช่วยตัวเองได้ก่อนเยวต้องมาส่งเงินบ้านใช้ได้ทําถูกแล้วล่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมให้คอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนออกไปนะะไอ้จิตมันไม่เข้าฐานค ขันมันแยกแต่ว่าจิตบางทีไม่เข้าฐานนะมันจะอยู่แถวๆเนี่ยมันยังอยู่ข้างนอกค่นะให้รู้ทันนะค่ะข้อนะนะต่อไปครั้งที่เล่าหลวงพ่อให้การบ้านไปบริกรรมนะครับก็ตั้งแต่เริ่มบริกรรมรู้สึกว่าจิตมันมีกําลังมากขึ้นแล้วก็ต้องอย่างนั้นสิแต่มีช่วงหนึ่งเนี่ยมันไปติดล็อกอยู่ตรงนิ่งๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะได้เห็นว่ามันมีการ เกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคถ้าภาวนานะช่วงแรกแรงไม่พอไม่ติดล็อกสติปัญญารู้ทันแั้ก็เคลื่อนออกมานะจะทำอย่างนี้แหละทำอีกบริกรรมไปนะจิตจะมีกำลังพอจิตมีกำลังแล้วก็เอาจิตที่มีแรงแล้วเนี่ยมาดูธาตุขันมันทำงานนะสุขขอบคุณครับค่ะคือมันไปเห็นความรู้สึกที่มันไม่อยากไปมัน ยังอยากติดอยู่ในโลกอยู่มันอยากอะไรนะอยากาโหยหาที่จะติดอยู่ในโลกโ อ, อยู่โ<ด>อ้ดีที่เห็นน ะ, คะใครๆมก็ติดโลกทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นเรายังไม่เห็นทุกเห็นโทษถ้าเห็นทุกเห็นโทษของโลกเห็นความจริงของโลกเราจะไม่ติดแสดงว่าเรายังเรียนวิปัสสนาน้อยต้องดูต่ออีกถ้าดูไปเรื่อยจะเห็นในโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกมีแต่โทษ ใจจะไม่ติดโลกนะไม่หวยหาหรอกแต่ว่ากว่าใจจะคลายออกจากโลกนี้นานนะต้องได้หักานเะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกรรมโลกคืออะไรโลกก็คือกรามเท่านั้นเองไม่มีอะไรสิ่งที่เราเรียกว่าโลกโลกนะก็คือรูปคือเสียงคือกลิน่นคือรสคือสัมผัสเท่านั้นแล้วก็กรมมาทำคือเรื่องราวที่เราคิดทางใจขึ้นมาเนะี่ยที่เราติดเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่ารูปก็นาความทุกข์มาให้ ถ้าเราเห็นมีตาไปเห็นรูปจิตก็ทุกข์ผิดมันไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวก็ทุกข์อีกเนี่ยใจไปคิดจิตก็ทุกข์อีกอนี้ต่อไปก็ไม่ติดโลกหรอกคำว่าโลกโรค ก, ก็มีอยู่เท่านั้นเองมันติดกรรมคือก ร, รมาคุณอารมณ์ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายมันนึกว่าเป็นของดีถ้าวันใดสติปัญญาเรามากพอเราเห็นนะตาเห็นรูปไม่ใช่เป็นความสุขหรอกจิตมันไหวนะจิตมีความทุกข์นะ ผมได้ยินเสียงจิตก็ไหวจิตมีความทุกข์นะใจไปคิดเรื่องโลกโลกจิตก็ไหวจิตก็มีความทุกข์นะถ้าเห็นอย่างนี้จิตก็จะคลายออกจากโลกไปค่ะกเ็เมื่อสองวันได้มีโอกาสอธิบายให้ลูกชายฟังนะว่าเวลาส่งจิตไปกับคอมพิวเตอร์อแล้วกลับเข้ามาที่ตัวเองอะ่ะอความรู้สึกหนักเบามันจะไม่เหมือนกันเออดีฉลาดแต่ตอนอธิบายให้เขาฟังอะ่ะ ของหนูมันก็ตัดพอส่งเข้ามาที่ใจก็บอกเขาว่ามันจะเบามากกว่าอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ตัดแวบหนึ่งนะคะในขณะที่อธิบายให้เขาฟังภาวนานดีแล้วอ่ะขอบคุณนะะ่ะพานาดีนะใช้ได้แล้วไปทำอีกขอบคุณนะะเพรา ะ, ะ <laughs> ผมก็พยายามแยกท่านแยกขันอยู่เรื่อยๆครับหลวงพ่อ พ่อไม่ทราบว่าตอนนี้ติดขัดหรือเปล่าข้าหลวงพ่อพรที่ดูน่าจะดีอยู่ฮะเออไม่ทราบว่าติดขัดหรือเปล่าครับติดอะไรละ่ะเอแบบเพ่งหรือว่าไม่ถึงฐานหรืออะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่อจิตออกนอกไหมล่ะจิตไปอยู่กับหลวงพ่อไหมไม่ไม่ครับแล้วจิตตอนนี้ไปอยู่ไหนอยู่ ก, กลางๆต่อจิตอยู่กับความคิดครับจิตไหลไปคิดจะรู้ทันนะครับรู้ทันภาวนาใช้ได้แล้วหมอ มาดูเรื่อยๆนะแต่ว่าจิตต้องถึงฐานจริงๆนะขอบพระคุณครับหลวงพ่อกล่าวถวัติการพระอาจารย์ครับผ ม, มผมไม่มาประมาณสองปีกว่าพระาอาจารย์ขอส่งสภาวะหลวงมาพระาอาจารย์คือสภาวะที่ผมพบก็คือว่าเอ่อเห็นแสงก่อนแล้วเห็นยิบยิบแล้วต่อมาก็เป็นในจิตที่ตั้งมั่น อ, อยู่ในยกจิตที่สู่ความว่างและจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ย ผมจะเห็นเกิดดับเกิดดับแต่ตำแหน่งคนละตำแหน่งไม่เป็นไรแล้วพอฝึกไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันอืทีนี้ผมก็ฟังซีดีของพระท่านพระอาจารย์ว่าผมก็เห็นว่าที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับจอหนังแล้วเครื่องฉายหนังครับพระอาจารย์อืแล้วผมก็เอาเครื่องฉายหนังเนี่ยเข้าไปแตะช่วงที่ไปแตะปุ๊บในจอหนังเนี่ยมันก็ดับอืแล้วผมก็สังเกตต่อไปก็คือว่าไอ้เครื่องฉายหนังที่มันวิ่งเข้าไปเนี่ยพระอาจารย์ มันจะดับปุ๊บปุ๊บ ป, ปไปเลยฮะแล้วไปแับเข้าไปครับแล้วจากนั้นไปผมก็เกาะติดอาการอืพอเกาะติดอาการปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นแวบเหมือนเสี้ยวพระจักรเสี้ยวพระจันทร์นะแวบแวบวบแวบแล้วผมก็แตะเรื่อยๆแตะเรื่อยๆจนกระทั่งผมได้ยินเสียงอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเข้าไปแตะปุ๊บปุ๊ป๊ ป, ป, ป๊แล้วก็เห็นช่องว่างอืพอผมเห็นช่องว่างปุ๊บผมก็จับช่องว่างด้วยเห็นเกิดดับด้วยที่ตั้งอยู่ดับไปออืพอผมจับช่องว่างมากขึ้นเท่าไหร่ปุ๊บรู้ช พอชัดปุ๊บผมก็เกาะไปเรื่อย mm. ๆเกาะไปเรื่อยๆปุ mm ๊บเนี่ยพอไปฟังเสียงพระอาจารย์ครับพอฟังเสียงปุ๊บมันจะเดินวงๆออกมาอ mm hmm. พอวงปุ๊บผมก็ไปเห็นวงเหมือนสภาวะที่เป็นวงแล้วผมก็เอาเครื่องฉายหนังเนี่ยเข้าไปแตะพอแตะมันก็กระจายกระจายมันก็ตามไปแตะต่อ mm hmm. มันก็มันก็ปุบหายไปออืพอปุ๊บหายไปผมมาดูที่รูปรูปไม่มีกายไม่มีแต่ผมเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอสภาวะที่เป็นปิติ ส่งไว้ที่กลาง อ, อกก็มีมีพอส่งไปที่ศีรษะมันก็เกิดปีตีทราบทราบเหมือนก็ว่าเราเห็นตัวดับอก็เรามาพิจารณาว่าถ้าเราเห็นเกิดดับปุ๊บเนี่ยพลังมันกลับไปที่รูปแล้วพอผมกาะไปเรื่อยๆนี่ฟังเสียงอะไรต่างๆปุ๊บนี่ยพรอาจารย์จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลยแม้กระทั่งตอนเดินก็เหมือนกันพอเดินผมก็ไปมองเหมือนกับออรถโฟล์คสวาทที่โฆษณาพระอาจารย์ที่มันถอยหลังเลยมีคลื่นนะไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูโฆษณาแลฮะผมเห็นเป็นคลื่นเหมือนโยน โยนข้อนจีบลงไปในน้ำฮะลือนวงๆก็จะมีวับวับวับกระจายไเรื่อยพอกุ้มแตกไปเรื่อยๆพอฟังอะไรปุ๊บจะเห็นเกิดดับหมดจนกระทั่งตุ้สายตาเวลาตาไปมองก็จะมีฟิล์มแล้วมก็เกิดดับปุ๊บผมไปมองหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่แล้วยังมองปุ๊บมันเห็นเกิดดับไปชนปุ๊บมันเกิดดับปุ๊บแล้วถอยจีบออกมาแล้วเข้าไปใหม่เห็นเป็นแสงแล้วถอยอมาใหม่แล้วเข้าอีกทีเหมือนซูมเข้าซูมออกกันจย์ แล้วจะเห็นเป็นทั้งคู่ทายเห็นเป็นหนังสือก็เลยว่าเห็นหนังสือเล่มตึงเห็นเป็นสามตอนเอเห็นได้ละเอียดนะแต่ตัวสําคัญเนี่ยเราอย่าส่งใจไปแตะอเราดูดูเหมือนดูเล่นๆแต่ที่ผอมีเจอเจอเสียงอันหนึ่งเสียงแก๊สมันดับไปแล้วไงเดินๆอยู่พอแบบบุ๊ปลงไปแล้วจิตมันก็เกมันก็ดับบุ๊ปไปด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเบาสบายรู้สึกมีความสุขนะไม่งั้นใจจะออกนอกใจออกนอกเหรอฮะใจมันจะกระจายออกข้างนอกไปอื เนี่ยไปดูรูปมันก็ไปดูละเอียดยิบยิบไปนะได้ยินเสียงไปแยกได้ละเอียดยิบยิบไ ป, ไปมันทิ้งใจไปอืใจเราถ้ไม่ไหลไปใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆแต่ว่าตรงที่ใจรู้ตัวอยู่เนี่ยไม่ประคองไว้ด้วยนะครับถ้าใจจะไหลก็รู้ว่าไหลแต่อย่าจงใจให้มันส่งออกไปแต่วเวลาเสียงตริกาที่เรานั่งอยู่มันแตะมันโยปีแตะปุ๊บปตามเสียงนาฬิกาที่มันขึ้น น, นี่ไงจิตมันไปอยู่ที่เสียงครับอย่าให้จิตไหลไปที่เสียง แล้วใจเป็นจิตเป็นแค่คนดูเห็นหูกับเสียงกระทบกันไปจิตอยู่ตาหักจิตอยู่ตาหักนะอย่าเอาจิตเข้าไปแตะน้นแตะนี่นะงั้นจิตจะฟุ้งอครับจิตต้องตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปครับแต่ว่าตรงที่จิตไม่ไหลก็อย่าไปประคองนะประคองไม่ให้ไหลเนี่ยตึงไปถ้าจิตไหลเข้าไปแตะเนี่ยฟุ้งสั้นไปอืมนะต้องไม่สุดโต่งสองข้างของโยมดูรูปได้ละเอียดนะเห็นรูปดับวับวับวับ แต่ถ้าจิตเป็นคนดูได้จะดีมากเลยว่ามาทำน้ำมัสการครับหลวงพ่อการปฏิบัติในช่วงนี้ก็ยังคงราบเรียบอยู่ครับหลวงพ่อแต่มันมีอย่างหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับบางทีมันจิตมันกลายตื่นๆืนเนี่ยจิตมันไหลปุ๊บหายไปเลยแล้วก็ขึ้นมามันขึ้นอยู่เวลามันขึ้นมาขึ้นอยู่2แบบครับบางทีก็ขึ้นแบบุ้มนวลบางทีมันดีดขึ้นมาเลยข้ามันไม่ได้ครับก็เลย ดูสิเขาทำงานเองด้านมดแหละไม่มีอะไรหรอกเขาทำของเขาเองดีแล้วภาวนาไปจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับนี่<ด>จะสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาสั่นไหวไม่เป็นไรนะอย่าไปประคองไว้จิตให้มันสั่นไหวไปไม่รักษามันแต่ว่ารู้ทันพิธี ก, การหลวงพ่อค่ะ คือเมื่อไหลไหลาอาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อไปดูกระดูกอะค่ะเห็นไหมเออตอนที่ดูกระดูกเนี่ยมันจะรู้สึกลางรังนะคะแต่ว่าพอดีหูมันไปได้ยินเสียงแล้วมันพอหูไปได้กระทบเสียงเพื่อมันเห็นอาการไม่ชับดูจิตเกิดดับขึ้นมาค่ะ เ, เกิดดับขึ้นมาประมาณตรงเนี้ยค่ะคือที่เราต้องมาดูกายบ้างนะเพราะเวลาดูจิตมันทีไม่มีแรง กำลังไม่พอนะมันจะฟุ้งฟุงแอบไปคิดเรื่อยๆพอมาดูกายไว้มันจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ตอนที่เห็นการเกิดดำนั้นมันเป็นสภาวะรู้ะนั่นแหละตัวนั้นแหะคือถ้าเราฝึกอย่างเราดูกระดูดูอะไรนะใจเรามีแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาเกิดสภาวะทางจิตที่มันไม่เห็นชัดขึ้นมาแม้เราก็มองไม่เห็ น, นใจมันฟุง้งต้องไม่ให้ใจมันฟุ้งไปแล้วหลังๆนี่มันมัน คือและแยะหลังๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันไร้สาระค่ะแล้วพอเป็นมากๆเข้าเนี่ยมันใจมันเป็นทุกข์อะค่ะไม่ไม่มันจะเป็นโทสะอยู่แล้วมันตรงที่เราเห็นไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่นิพิธานะค่ะมันเจือโทสะอยู่มันไม่ชอบมันไร้สาระแบบน่าลาคาญให้รู้ทันว่าใจมันเจือโทสะเข้าไปแล้ว แล้วมันเหมือนกับมันหาช่องออกไม่ได้นั่นแหละมันเกลียดนะมันอยากหนีให้รู้ทันว่าจิตกำลังมีโทสะอยู่ถ้ารู้ตัวนี้โทสะดับน้ำไม่ต้องหนีไปไหนเลยค่ะแล้วมันมันถูกความความโศกอะค่ะคล่อมงําเข้าไปเลยอะค่ะความสศกความโศกเศร้าอ่ะโอ้นั่นแหละมันโทสะไงตระกูลโทส ะ, ะให้รู้ทันเลยดูเข้าไปตรงๆเลยจิตมีความโศกเศร้ารู้ว่าโศกเศรา้าจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ มันไปเห็นสภาวะทั้งหลายแล้วมันไม่พอใจโทสะมันแทรกหนีมันไม่ได้เลยเศร้าโศกคร่ำควรำร่ำไรลำพันขึ้นมานให้รู้ทันเข้าไปเลยจิตมีโทสะดูแค่นี้แหละค่ะนะอพอคพระคุณกราบน้ำส ก, การหลวงพ่อค่ะออระยะหลังนี้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเห็นทุกข์มากขึ้นนะคะ แล้วก็เห็นทุกข์แล้วก็ใจมันไม่ชอบปัญนะหายอยู่ตัวนั้นบางทีมันก็โทสะมันคอยจะยืนพื้นอยู่เนี่ยค่ะหลวงพ่อดูไปด้วยนะแล้วก็รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นโทสะก็ดับเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางการรู้ด้วยความเป็นกลางเป็นเรื่องสําคัญนะทําให้เกิดตัญญาค่ะมันคล้ายๆว่ามันต้องพยายามค่อยๆปรับเข้าหาสมดุลตรงนี้ไม่ปรับเขาปรับของเขาเอง ให้เรารู้ทันในตรงที่ผิดธรรมชาติผิดสมดุลน่ะเห็น mm hmm. ใจมีโทสะขึ้นมารู้ทันไม่ต้องแก้นะมันหายเองค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนักการของพ่อครับ mm hmm. เออผมเห็นจิตที่มันปรุงกิเลส ข, ขึ้นมาได้เองโอ้ oh, ดีจริงทีนี้ถ้าเรารู้ทันสติตามทันเนี้ขครับหลวงพ่อมันจะดับ แตนถ้าเราตามไม่ทันนะครับสัญญามันจะมาปรุงร่วมด้วยท่ีพมัปรุงร่วมด้วยเนี่ยมันจะเป็นกิเลสที่มันแรงใช่ท่านี้รูก็จะไม่ดับท่านี้มันถ้าเทียบกับสัญญาที่มันปรุงกิเลสขึ้นมาเนี่ยความแรงไม่เท่ากันไม่เท่าหรอกนะมันเหมือนไฟไหม้อะไฟไหม้ทีแรกแล้วติดไม้ขีดก้านเดียวเห็นเป่าทีเดียวก็ดับแล้วนะแล้วเราไฟเยอะเต็มบ้านแล้วไม่ดับแล้วดับยาก จิตนี่เหมือนกันถ้าเรารู้ทันตั้งแต่แรกนะมันดับวับไปเลยถ้ารอมัน<ะ>ยากนะครับหลวงพ่อที่จะรู้ทันตอนที่มันติดเลยที่ฝึกเอาที่ฝึกอยู่นะดีแล้วล่ะเอออีกข้องครับหลวงพ่อในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยบางครั้งนี่นะครับจิตมันสว่างขึ้นมาอืแล้วก็มีเมตตาออดีอันนี้พอจะพูดได้ไหมครับว่ามันมีปัญญาขึ้นมาบ้างแล้วมีสิไม่มีปัญญามันแยกธาตุแยกขันไม่ออกหรอก นี่กายกับใจเราก็เห็นนะโคลาอันความสุขความทุกข์กัใจกโคลานกิเลสกับใจก็โคลาอัยายานแยกได้ก็มีปัญญาแล้วแล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นี่ยิ่งเป็นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาเลยอพอเราเห็นความจริงของโลกนะกิเลสหายไปนะกุศลมันเข้ามาแทนที่แต่จิตไม่ติดนะจิตมันจะมีความเมตตาการุณาอะไรนี้เต็มไปหมดเลย กับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะพักนี้คือจะโมโหง่ายมากแล้วก็เหมือนมันเครียดมากว่าแบบมันไม่หายอย่งนี้ต้องต้องทายัางไงต้องทำใจ <c oughs> มันไม่หายหรอกคือเรารู้ทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อละทุกนะพระพอทธเจ้าบอกให้รู้ทุกท่านไม่ได้สอนให้ละทุกท่านสอนให้ละอยากละสมุ ท, ทยัยอย่างเราอยากให้มันหายใช่ไม เนี่ยให้รู้ทันเลยใจอยากนะ้วเนี่ยความอยากแหละหายความทุกข์ไม่หายหรอกความทุกข์เป็นผลเหตุยังอยู่เหตุยังส่งผลอยู่นะความทุกข์ก็ยังอยู่อย่างขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะเป็นพระอรหันต์นะขันห้ายังอยู่เลยนะเพราะมันเป็นวิบากเป็นของเก่าส่งผลมายังไม่หมดไม่ได้ทิ้งมันแต่ว่าเป็นกลางกับมันไม่ได้เกลียดมันหรอก<ม>นี่ของเราก็รู้ทันใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางรู้ตัวนี้นะ ภาวนาดีนั่งของคุณอ่ะที่ที่ที่รู้สึกว่าโมโหอะไรอย่างงี้คือเรียกว่ารู้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่แล้วโมโหเราเห็นอารมณ์อย่างนี้นะใจไม่ชอบรู้ทันหรือใจเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่ชอบความโกรธอีกรู้ทันเขาอีกรู้สบายๆรู้เล่นๆคือต้องอดทนยังไงก็ต้องทนเพราะว่ามันล้าไม่ได้ความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ของละได้นะความทุกข์เนี่ยต้องรู้เอาความอยากให้ลเสีย อย่างน้ําท่วมบ้านนะเราอย่าให้น้ําหายไปนี้ไม่ได้นะละอะไรได้ที่เราใจเราจะไม่ทุกข์ละความอยากที่จะให้น้ําหายไปถ้าใจเป็นกลางกับน้ำนะก็อยู่กับน้ําได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าตัวเองอีโก้เยอะอืทําต้องต้องทํำยังไงให้รู้ทันนะรู้ทันต่อไปจะรู้มันนักเกลียดนะถ้ารู้ทันของคุณพาวนาดีนะ เอเหมือนมันมันไม่ไม่มั่นใจว่ามันรู้หรือมันไม่รู้แล้วมันรู้สตันั่นแหละรู้ล่ะภาวนาได้ดีเชียวละเห็นไหมเราใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้ไหมมันสบายขึ้นมันโปร่งขึ้นมันสว่างขึ้นมันสั้นลงใช่มันสั้นลงนะทุกคนสั้นลงนะแต่ไปมีชีวิตชั่วขณะแล้วนะสั้นนิดเดียวถ้ามีชีวิตชั่วขณะนะความทุกข์ไม่มีที่ยั่งเลย ขอบคุณคะ่ะน้อมสักการครับหลวงพ่อครับอืขอ ก, การส่องกันบ้านคือภาวนาไปนานๆเข้าเนี่ยเห็นจิตมันข้างในมันเหมือนมันประณีตละเอียดขึ้นเยอะเลยครับก็ต้องงั้นแหละครับภาวนาแล้วแย่ลงเรื่อยๆไปภาวนาทําไมล่ะ <laughs> แล้วทีนี้มองมองขันคือบางครั้งเคยภาวนาไปพอไปจับนามเนี่ย แล้วพอจิตมันดับจากนามเนี่ยมันก็วูบลงไปแล้วก็ไปไปจับรูปถูกต้องแล้วคือจิตจิตนี่นะพอขึ้นรับอารมณ์เสร็จแนละ้วต้องวูบทุกดวงแหละทุกทุกรอบแหละถึงจะไปจับเราร่างกายนะเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์ก็ต้องวูบทีหนึ่งก่อนจิตต้องลงผวังนะแล้วค่อยขึ้นมาใหม่ต้องขึ้นมามันจะไปจับรูปหรือจับนามเราเลือกไม่ได้หรอกมันเลือกของมันเองวันนั้นวันนั้นภาวนาอยู่จิตมันสอนขึ้นมาว่ามันเป็นธรรมชาติภายในภายนอกคือ พอเห็นธรรมชาติภายในมันดับไปมันลงผวังก็ไปจับธรรมชาติภายนอกคือาธาตุธาตุืีไปไปเห็นความร้อนความเย็นในร่างกายอืเสร็จปุ๊บก็ไปจับจับขันภายในคือเวทนาสัญส ญ, ญาสังขารวิญญาณขันใดขันหนึ่งครับอืตามตามแต่มันจะเลือกดูเราเราเลือกไม่ได้นะเขาทําของเขาเองครับเราเลือกไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยจนกระทั่งรู้มันไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้ คือมันมันมีพลังงานเคลื่อนไหวอยู่ในตัวตรงกลางหน้าอกเนี่ยอผมไม่รู้จะอธิบายด้วยคําว่านี่ตลอดเวลาเลยครับนั่นแหละตันหาละมันจะผลักตันเรานะแล้วบงการให้ทำโน้นทํานี่ไปเรื่อยให้รู้ทันเนาคือมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมครับนอกน้อยเพราะเห็นเปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่ไม่เหมือนเออถ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรตอนนี้มันมันตื่นเต้นฮะแล้วไปกดนะ ปกติจิตถึงฐานจริงหรือเปล่าถึงบ้างไปถึงบ้างเขาใช้ได้ปรับถูกอีกนะอผ่านถ้าบอจิตถึงฐานตลอดต้องนั่งแก้แล้วอันนี้แสดงว่าเพ่งนมัสการขลุงพ่อว่าไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกลัวหลวงพ่อหรือกลัวไม้ <c oughs> ตื่นเต้นหลวงพ่อคะ <c oughs> ่ะเมื่อคนกลัวไม้นะขอไม่ใช้ไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเอาว่ามา ครั้งก่อนที่หลวงพ่อแนะนําไปเขาว่าจิตยังคิดไปเร็วให้อยู่กับภาวนาพุทโธค่ะตอนนี้ไปฝึกมันก็ยังยังคิดเร็วอยู่หลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อจะแนะนำถ้ามันไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะไปทำอีกอรู้สึกไหมมันสงบลงค่ะสนุกลงนิดหนึ่งหลวงพ่อนั่แหลนิดหนึ่งก็วิเศษแล้วหลวงพ่อแล้วตอนนอนนะคะบางทีมันนอนแล้วรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนเสียงลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันมันนั่นแหละร่างกายมันหลับไปแล้วนะ ใจมันยังตื่นอยู่ไม่ต้องกลัวนะคนกลัวตัวอะไรมันมาหายใจอยู่ใกล้ๆผีจะมั่งผีมาหายใจมั่งผีไม่หายใจหรอกแล้วบางครั้งนอนก็ได้ยินเสียงเหัวใจมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี้ยหลวงพ่อถ้าแก่กว่านี้จะได้ยินเสียงกลนแล้วปกตินอนนอนค่ะหลวงพ่อนอนแค่หลับแป๊บเดียวมันฝันฝันทุกวันเลยค่ะฝันทุกคั้งถูกต้องเลยจิตเนี่ยนะพัคนิดเดียวนะก็ปรุงต่อ มันก็คิดนั่นแหละแต่ว่าถ้าคิดตอนหลับเราเรียกว่าฝันถ้าฝันตอนตื่นเราเรียกว่ามันคิดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยปลุงไม่เลิกหรอกเวลาพักก็พักนิดเดียวเพราะฉนั้นบางคนเนี่ยเวลานอนนะตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นเลยเหนื่อยเพราะจิตไม่ได้พักจริงนันเราต้องฝึกเรื่อยนะะเวลาที่ร่างกายหลับนะจิตก็สว่าง ส, สบายไม่ก็ลงผวังไปเลยถ้าไม่ลงผวังนะขึ้นมาก็อยู่สว่างว่างสบายเป็ที่พักผ่อน แล้การที่เราฝันบางทีพอะราฟุ้งซ่านด้วยไหมคะหลวงพ่ใช่ใช่แน่นอนแล้วเวลาฝันเราเลือกได้ไหมให้ฝันดีหรือฝันร้ายเรื่องไม่ได้ เ, เลือกไม่ได้ยังเสี่ยงนะเวลาเราจะตายมันจะมีนิมิตเกิดขึ้นมันฝันอย่างนี้แหละถ้าฝันเป็นเรื่องไม่ดีนะจิตไปจับเข้าก็ไปเกิดไม่ดีอเราต้องฝึกไปด้วยนะเชื้อทั้งต่อไปชํานานฝันร้ายปุ๊บสติระลึกปับ๊บเลยขาดเลยไม่ตกนรกละอ ให้หลวงพ่อช่วยแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมอะค่ะบริกรรมไปเรื่อยๆนะบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยใช่ไหมคะให้มีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปแม้จิตจะฟุ้งของหนูมันฟุ้งเก่งให้พุโทโธพุโทโธไปค่ะหลวงพ่อขอพึ่งค่ะมาสการ์ค่ะหลวงพ่ อ, พ อ, อะจะถามหลวงพ่อว่าพอดีครอบครัวนะคะเขาทำกิจการที่แบบว่าไม่ค่อยจะ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอืแล้วเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้เข้าไปสนับสนุนนะค ะ, ะแล้วก็คอยบอกบอกกับผู้ปกครองแล้วว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะทราบว่าเราจะได้รับผลกรรมอันนี้หรือเปล่าคะได้ก็ได้น้อยนะถ้าเราเวลาเราทําผิดเนี่ยแล้วเรามีสติปัญญารู้ว่ามันไม่ถูกนะเนี่ย กรรมมันลดลงนะกรรมมันน้อยลงมไม่เท่าเขาหรอกเนี่ยคนที่ทำไปแบบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยนอกจากทำบาปแล้ว ย, ยังมีมิจฉาทิฏฐิด้วย<ม>พระเจ้าบอกให้ไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ามิจฉาทิฏฐิเลยไม่ได้ไปสนับสนุนแต่ไปช่วยแรยงครอบครัวค่ ะ, ะทำหน้าที่ไปสมัยพุทธกาลก็มีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันสามีเป็นนายพานทุกวันเนี่ยต้องเตรียมหน้าไม้เตรียมธนู เตรียมมีดดาบให้สามีทุกวันเลยนะปรากฏว่าแกวางใจว่าแกทําหน้าที่ของแกแกไม่ได้ไปฆ่าสัตว์นะแต่แกทําหน้าที่ของภรรยาเตรียมข้าวของให้สามีจะไปป่าอะไรย่างเงี้ยอยู่ที่การวางใจนะอะแล้วช่วงเนี้ยถือศินรักษาศิลแปดอยู่ค่ะ อ, อะจะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอถามว่า อาหารเย็นที่เราจะต้องงดอะค่ะช่วงเวลาไหนคะกี่โมงคะก็เที่ยงไปแล้วเที่ยงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เกิดว่าเราเรางดไปได้สักสามวันแล้ววันที่สี่เราเกิดอาการหิวอะค่ะแสบท้องอะไรเงี้ยเรากินได้ไหมคะอ้าวเราก็มาถือศีลห้าคือคารวาสเนี่ยนะอย่าไปถือศีลแปดอย่าไปถือศีลแปดตลอดนะเราทํางานหนักเนี่ยถือไม่ได้จริงหรอเดี๋ยวก็โลคกระเพาะกําเริบอ๋อค่ะถือศีลห้าให้มันดีก็แล้วกัน ศีลแต่ถือเป็นครั้งคราวเช่นวันวิสาขะเราก็ถือสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยลองดูซิว่าอดข้าวแล้วมันรู้สึกยังไงจะรู้สึกสงสารคนที่ไม่มีข้าวกินพอดีอน้องเขาอยากจะมารักษาศีลอยู่ที่วัดเนี่ยคะ่ะศีลอยู่ที่ไหนต้องรักษาเท่านั้นนะมักค้างอะคะ่ะเขาจะมานอนแบบปฏิบัติอะคะ่ะได้ได้แต่<ำ>ต้องเขาจะทํำยังไงค ะ, ะมาลงชื่อไว้ประมาณปี6กสามมั้ง ศีลนะอยู่ที่ไหนก็ต้องรักษานะไม่ใช่มารักษาที่วัดนะศีลอยู่บ้านก็ต้องรักษาต้องรักษาให้เป็นประจำขอบคุณค่ะอม่หมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน